ธรร ม, มชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สามกรกฎาคม2550มีชื่อเรื่องว่าปุโรหิตขี้โกหกชันนี้เลยชื่อชมชายเป็น <c oughs> อุตุประจําวัด เวลาฝนจะตกมันก็ร้องเวลาฝนจะหยุดมันก็ร้องเวลามันจะหนาวก็ร้องเวลาจะหยุดหนาวก็ร้องมันให้สัญญาณแนวว่าอุตุประจาวัดสัตว์ป่าเป็นธรรมชาติเหมือนกับสินามิเมื่อกี้นะ่ะในสินามิเมื่อกี้เนะี่คนทั้งหลายไม่รู้เขาบอกว่าพวกที่ไปผูกวัวควายอยู่ติดทะเลนะ่ะโอ้โหมันกระโดดโลดเต้นมันจะหนี พอหลุดจากเชือกตมันวิ่งขึ้นเขาเลยงั้ น, ะนะพวกปลาพวกเต่าพวกอะไรกระเสือกระสนขึ้นมาบนฝั่งนะนะคนวิ่งลงไปหาไลา่จับปลาในทะเลวงั้ น, ะ น, ะ น, ะนะพอน้ำกลับมาท่านั้นท่านีหนีไม่ทันนี่แหละคนพิจารณาดูแล้วสูบสัตว์ป่าไม่ได้สัตว์ป่านั่ก็แปลกเหมือนกันนะ มันมีเซนของมันอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนลึกของมันอย่างฝนจะตกอย่างนี้ถ้าเราต้องดูถ้าเห็นมดขนไข่ขึ้นไปที่สูงนั่นแหะฝนจะตกละคราวนี่มันก็ไม่ไม่ผิดมากนะถ้ามันแรงๆสิมันกำลังฝนตกแล้วเสร็จแล้วมันขนไข่ลงไปหาที่ลุ่มเลนี่ลงไปหาที่ต่ำเพื่อมันจะให้ไข่มันชุ่มเนี่ยมันอะไปหาแหล่งน้าไปหาที่ชุ่มชื้น โอ้ฝนคงจะแรงไปข้าวเนี่ยมันก็นานอีกเหมือนกันนะอันนี้คือธรรมชาติและอีกส่วนหนึ่งแต่คนโบ ร, ราณก็คงคงจะเคยเจอเหมือนกันนะตรวงพ่อวันะ่สิดนามิอย่างเนี้ยคนโบ ร, ราณเขาคงจะเคยเจอทําไมเกีจยวว่าเ ข, เขาเคยเจอเพราะเขามีศัพ์มีศัพท์มาตั้งแต่โบ ร, รบราณน่าคลื่นใต้น้ำเขาไง คำว่าคลื่นใต น, ำำน้ําคํานี้เน่ยเราจะไปกลัวอะไรทำไมคลื่นน้ําโขงคลื่นหมดเนี่ยเราจะไปกลัวทําไมเออคลื่นไตน้ำแต่พอคลื่นซีนอมิเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดามันฆ่าคนได้จริงๆริงเหมือนกันเะนี่แหละพอคลื่นใตน้ำเนี่ยหลวงพ่อว่าศัพท์นี้เนี่ยมันคงจะเป็นมาแต่โบ ร, โบราณยาวนานไกลทีเดียวจนลืมเหมือนกันแตแล้วเพอเพอมันก็นมาแสดงให้เห็นซะอย่างเมื่อ คราวที่แล้วนะคลื่นใต้น้ำเนี่ยหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องสมชายที่แรกว่าเป็นอุตุประจำวัดสัพพสัตว์ทั้งหลายโลกวัตฏะของพวกเราที่เราอยู่อาศัยเนี่ยสรุปแล้วก็คือไม่น่าไว้ใจภัยวิบัติพร้อมที่จะเกิดได้ทุกโอกาสอันนี้ก็คือภัยธรรมชาติ ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้ถึงคนจะมีวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าถึงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะปกป้องธรรมชาติจุดนี้ได้เพราะธรรมชาตินี่มันเหนือกว่าเหนือกว่าสิ่งที่มนุษย์ที่จะป้องป้องกันตัวเองได้บางสิ่งบางอย่างอย่างพวกเราเห็นภัยจากมนุษย์ก็ยังไม่แล้วภัยจากธรรมชาติอีก สรุปแล้วก็คือโลกมนุษยนะ์เลโลกโลกเวรภัยจริงๆเลยเนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นมองรอบด้านแล้วว่าเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ตามสายตาของพระอริยะตามสายตาที่พระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์ดูแล้วควรจะเสาะแสวงหาทางที่ไม่มาเกิดอีกดีที่สุดจะทํายังไงจึงจะ ไม่มาเกิดอีกกระสุดวิสัยของปุตุชนพวกเราท่านทั้งหลายแต่ไม่สุดวิสัยผู้ที่สั่งสมบัลมีมาแล้วและก็เป็นผู้นขนวา่เป็นผู้คิดคน้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดคน้นองแรกในยุคสมัยนี้เมื่อสองพันกว่าปีท่านคิดค้นหยุดนะเป็นเวลาทั้งหกปี ในช่วงนั้นจนเจอหนทางที่ไม่มาเวียน่ายตายเกิดอีกแต่ถ้ า, าว่าวิชาอาชีพสาขาอื่นถึงจะเรียนมานมนานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาปริญญาตรีโทเอกโปรฟิเซอร์ไม่รั่วกี่แขนงแต่กระบอกปนเวียนเหมือนกับภายเรืออยู่ในอ่าง บกผลเวียนมันไม่ออกจากอ่างมันไม่ออกจากขอบปากอ่างไปได้ผลี่สุดก็เนี่ยเรียนไปเรียนมาบกผลเวียนผลที่สุดกว่าคนก่อนเขากคเรียนเขาบอกว่าเขาได้แต่คนก่อนไปอีกเขาก็ได้คิดมาแล้วในเรื่องนี้ผลี่สุดก็เลยบกผลเวียนกันไปเวียนกันมามาถึงยุคนี้เราก็ว่าเราได้ของใหม่แต่คนโบราณเขาเคคิดมาก่อนแล้วในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่มีใครที่จะเขียนเอาไว้บางทีก็เขียนเอาไว้บ้างแต่หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดอย่างหลวงพ่อพูดอย่าเด่พูดทุกคำํำพระโบราณท่านก็คงจะเคยพูดมาแล้วเคยสอนมาแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดแต่ไม่มีรายลักษณ์อักษรเอาไว้เท่านั้นเองเพราะว่าแนวธรรมคาสั่งสอนตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนี่ถึงจะพูดยังไงยังไงมันก็ไม่ได้มากมาย ไม่ได้มากมายมีแต่กายกับใจเท่า น, นั้นเป็นหลักเป็นหลักยืนบางกันเนี่ยเป็นหลักยืนก็นคือกายกับใจใจก็คือนามธรรมกายก็คือร่างกายของมนุษย์ศึกษาสองอย่างหลักของพรพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ศึกษาสองอย่างคือกายกับใจเนี่ยกายนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงตกแต่งได้กันนิดหน่อยแต่ส่วนใจนั้น พร้อมที่จะตกแต่งได้จะให้เป็นคนโง่จะให้เป็นคนฉลาดจะไปให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนเลวให้คนเป็นประเภทไหนได้เพราะเป็นการฝึกได้ ใ, ใจตัวนี้สมองตัวนี้ถ้าฝึกแลลึกถึงบุญคุณของคนก็ได้ฝึกแล้วลึกถึงเนรคุณคนก็ได้เพราะว่าใจตรงนี้มันถ้าจะว่าไปแล้วใจกลับกรอบ ป็้นป้อนหลอกลวงพอสมคขรถ้าหากว่าเราไม่เอาหลักธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานใจของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วบางเรื่องบางราวมันก็ไม่อยากจะคิดแต่มันคิดขึ้นมาในใจเป็นกิตใต้สำนึกอย่างนั้นก็มีแต่บางคนที่หลวงพ่อเคยได้ยินเคยได้ยิน เขามาหาเขาเคยมาบวชที่วัดหลวงพ่ออีกต่างหากเขาบอกเอ๊ะท่านอาจารย์ใจของผมทําไมเป็นอย่างนี้ผมประมาทครูบาอาจารย์นึกประมาทครูบาอาจารย์ทั้งที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทําอะไรให้ผมท่านก็มีแต่แนะนําสั่งสอนแต่ในใจของผมประมาทกระทั่งพระพุทธเจ้าอีกประมาทครูบาอาจารย์อีกประมาทคุณงามความดีอีกมันคิดประมาทไปหมดเลย มันไม่เลื่อมใสมันประมาททำไมมันเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่อยากจะคิดนะส่วนใจของผมผมไม่อยากจะคิดแต่ส่วนหนึ่งมันคิดขึ้นมามันเป็นใต้สำนึกขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งหลวงพ่อว่านนั่นแหละตัวกิเลสตัวกิเลสความลืมตัวตัวกิเลสมาบ้าอยู่ในใจของเรามาบ้าใต้สำนึกจิตใต้สำนึกตัวนั้นให้ระวัง พวกเราให้ระวังตัวบหมาบ้าไ ต, ต, ต่สํานึกตัวนี้มันไม่ฟังเหตุฟังผลใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านทําอะไรให้แก่เราครูบาอาจารย์ทําอะไรให้แก่เราท่านมีแต่แนะนําสั่งสอนตัวเองจะไม่ไม่ทําหรือไม่ทำเกิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้วังอะไรกับเราทั้งนั้นถ้าเราชั่วก็ชั่วที่ไปตกนรกสินร ก, กไม่เห็นเต็มที่ไหนถ้าเราทำดีก็ไปไปสู่สวรรค์ เนี่ยสวรรค์ก็ไม่เห็นเต็มที่ไหนเออพร้อมที่จะรับคนชั่วพร้อมที่จะรับคนดีอยู่แล้วเหมือนกับมนุษย์ของเราเนี่ยถ้าเราทํากรรมชั่วทํำสิคุกเขากจับเข้าไปก็ไปขังไว้ทันทีถ้ามันเต็มเขาคงขยายคุกไปอีกได้อีกสําหรับรับคนชั่วคนดีก็เหมือนกันถ้าเราทําความดีกันนั่นสิเมืองไทยก็ยังมีอีกถ้าห้งางมันเยอะร่นเมืองไทยก็ยังเมืองนอกอีกมันไม่ร่นหรอกมันก็อยู่ด้วยกันอย่างเนี้ย อันนี้คุณงามความดีมันก็อยู่ในโลกแต่ทำไมเราเป็นคนประเภทไหนใจประเภทไหนความรู้สึกประเภทไหนอย่างนี้อันนี้ก็ให้ให้ตรวจตราดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราถ้าเราไม่สั่งสอนตัวของเราไม่บังคับตัวของเราถ้าเราไม่ตรวจตราหาต้นเหตุในใจของเราแลวไม่มีใครไม่มีใครที่จะแนะนำเราได้ขนาดพระพุทธเจ้า ท่านสั่งสอนมาแล้วเรายังประมาทท่านนะครูบาอาจารย์อยี่ยภาษาอะไรขนาดพวกพุทธเจ้ายังประมาทนะกิเลสตัวนี้สําคัญนะอันนี้หลวงพ่อเคยได้ยินมามากต่อมากเพราะนั้นยังเตือนกล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายจิตใต้สํานึกตัวนี้สําคัญควรระวังไม่น่าไว้ใจเป็นกิตที่อกุศลอยู่ในจิตใจลึกๆเอมันมีนะนทั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทําอะไรให้แก่เรา แต่เราทำไมปลาหมาท่านถ้าไม่ใช่ตัวกิเลสโมหจะจริตอยู่ในจิตในใจของพวกเรากิเลสโมหนะเนคือความหลงอย่างอย่างแรงเนั้น่นี่อพราะนั้นให้พวกเราสํเรึกไปอยู่เสมอเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามพระคุณพ่อแม่มันคืออะไรพ่อแม่ก็คืออยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่หวัวจดเท้านั่นแหละพ่อแม่จะอยู่ในนี้แล้วใจเขามาครองมายึดถือ ร่างกายของพ่อแม่ที่ให้มาใจของเราเนี่ยไปหลงไปประมาทไปลืมหลงว่าตัวเองเป็นยังไงนี่แหละนี่ก็น่าพวกเราน่าศึกษาเหมือนกันใจดวงนี้มันเป็นเรื่องกับกอกหลอกลวงมากต่อมากเพราะนั้นกิเลสอยู่ในนี้กิเลสอยู่ในใจของมนุษยชาติของเราน่ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นให้ดูใจของเราตัวของเราทุกๆคนนะั่น่ะ หลวงพ่อเองก็จะดูใจของหลวงพ่อเหมือนกันโดยมากหลวงพ่อก็เคยเหมือนกันออกมาลักษณะอย่างนั้นทั้งที่มันมันทําไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เราเราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณสําหรับเราแต่ทําไมจิตใด้สานึกออกมามันไิหากรดไปหางับคนนั้นงับคนนี้เหมือนกับหมาบ้าไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอยู่ในใจ ในทั้งที่เราก็ว่าประพฤติปฏิบัติธรรเี่ยทําไมเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราตรวจตราดูให้ดีนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเออใจประเภทนี้ขาดได้ยินจากหลวงพ่ออินมาพูดแล้วออใจหมาบ้าใจใต้สานึกต้องระลึกถึงพระคุณอยู่เสมอพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรเป็นผู้สั่งสอนโลกได้ตรัสรู้ธรรมมาแล้ว โลกได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากต่อมากส่วนเราละ่ะมีอะไรบ้างที่ให้โลกได้ความร่มเย็นเป็นสุขจากเรามีไหมเรื่อมีแต่เอาไฟไปเผาคนอื่นเขาเราใน่น้านับถือเราใช่ไหมเราในหน้ายกย่องเราใช่ไหมทําไมใจของเราจึงไปในทุกคุณผู้มีพระคุณต่อโลกถ้าไม่ไม่ใช่ความโกรธความโลภความห ล, ลงในใจของเราแล้ว จะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เขาคอให้ให้ถามให้เตือนเราทุกๆคนนะอันนี้หลวงพ่อเคยได้ยินเนได้ยินไ ด, ได้หลายคนคำว่าพักคุณคำนี้นะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนคนดีคนชั่วมีอยู่ในโลกทั้งนะั้นในโลกวัะสงสารนะมันมีทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้ า, ท, า, ท, า, ท, าท่านสมัยท่านทรงพระชนอยู่ ท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤกนะ่ะกรุงราชคฤหคือกรุงพระเจ้าพิมพิสารในชาติศัตรูสมัยนั้นพระสงฆ์ก็ปั่นป่นปวนกันเหมือนกันนะคือแต่แกกคือพระเทวทัฒนนะี่อยากจะเป็นอาจารย์ใหญ่เพาะงั้นแต่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าเห็นไหมเนีขนาพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาได้จัตุรุธรรมแล้วก็สอนเวนัยยศอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามนเณร แต่สอนกระทั่งพระเทวทัตพระเทวทัตมาบวชกับพระพุทธเจ้าก็ยังเนรตะคุณพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอีกนะมันกิเลสไม่ใช่ธรรมดานะมาพิจรารณาดูแล้วแต่ทั้งที่บวชกับท่านนะนี่แหละว่าจิตใต้สำนึกตัวเนี้ยจิตเป็นอกุศลตัวนี้จิตวิชาตัวนี้นะไม่ใช่ธรรมดาแต่นี่พระเทวทัต วางแผนให้นายข ม, มังธนูมาฆ่าพระพุทธเจ้าปล่อยช้างนาราคิรีของพระเจ้าศัตรูฆ่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปบนภูเขากิ่งก้อนหินลงมาเพื่อจะให้ทับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินมาตอนนี้ตอนเช้าเดินผ่านเนี่ยทุกวันเป็นที่ขับแคบอีกต่างหักไม่มีทางไปถ้าเราขึ้นไปตรงนี้กลิ่งหินตรงนี้ลงมาพระพุทธเจ้าไม่มีทางหนีแน่ๆเทวทัตวางแผน ขึ้นไปบนภูเขาคิดจะกูดจากนั้นก็กลิ้งขินลงพระพุทธเจ้าก็เอาพระบาทรับสะเกตหินก็ถูกยังพโลหิตให้ห่อเนี่ยเทวทัศน์ก็ดีอกดีใจว่าตัวเองอย่างน้อยก็ฝ่าเท้าหอกแล้วกันละไงมันได้ทำหน่อยหนึ่งวันงั้นะ่นี่แหละจากนั้นก็ยกยงสงให้แตกกันทีนี่ไปยุสภาพใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรก่อน เทวทัตก็ไปบอกว่าพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมเป็นผู้มากมากอย่างนู้นอย่างนี้เราเนี่ยเป็นผู้มักน้อยสันโดษฟังเลยสิความคิดของพวกพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความคิดของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นีพวกท่านทั้งหลายเลื่อมใส ย, ยังไงดีเห็นเห็นด้วยกับเราไหมพระใหม่ก็ยังไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึง้งยังไม่รู้จักในพระธรรมคํา ส, สอนยังไม่ได้ศึกษาให้ดีว่างั้นเถอะเทวทัตไป เกียร์กล่อมเช่นพระสงฆ์ทั้งห้ารอก็เห็นด้วยขอยงนั้นพระสงฆ์ใหม่ก็เลยไปตามพระเทวทัตอันนี้เราอายุยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระสงฆ์ใหม่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่ซึ้งในทำคําสั่งสอนโมกคลาสาริบุตรไปไปแนะนําเขาไปไปให้แนะนําเขาให้เขาเข้าใจ พระอัครสาวกโมกคลาสาริบุตรท่านก็เลยไปแนะนําไปแนะนําช่วงเทวทัตเผอะงั้นแต่ไม่ใช่เผอหรอกเพราะตัวเองไปเป็นคณาจารย์แล้วก็ภาษาริบุตรกับพระโมกคลาเห็นพระโมคขลาสาริบุตรไปตัวเองนี่จะเป็นใหญ่อยู่แล้วเออโมกคลาสาริบุตรมามาๆอมามาเป็นสาวกของเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามานานแล้วมาเป็นสาวกของเราเลยท่านเป็นพระหันทั้งสององค์ท่านก็ ท่านก็ว่าไรท่านก็เฉยเก็ได้เนี่เข้าไปหาเนี่ยคิดว่าเป็นผู้หวังดีแต่ที่ไหนได้พอเทวรัตนอนหลับภาษาริบุตรก็พูดความจริงให้แก่พระห้าร้อยฟังเรื่องความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเรื่องมังลาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะหลักธรรมคาสัสอนเป็นอย่างนี้นะเรื่องของจริงเป็นอย่างนี้นะพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นยังไงเนพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้ท่านนั้นพวกข้าพเจ้าเข้าใจผิดแล้วเนี่ยข้าพเจ้าข อ, ขอากลับไปกราบพระพุทธเจ้า พระเหล่านั้นก็เลยตัดสินใจหนีจากพระเทวทัตที่นี่พระใหม่เหล่านั้นพระเทวทัตก็เสีย อ, อกเสียใจเลือดพุ่งออกจากปากอะไรแบบนั้นเถอะคล้ายๆก่นคงเส้นอ่หัวใจในเส้นตัวไหนก็ไม่รู้เนาะอยู่ในอยู่ในท้องมันพุ่งออกจากปากโลหิตสดๆร้อนๆ อ, ออกมาจากปากเลยก็เลยทนทุกข์ทรมานอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวทัตเนี่ย ไม่ใช่ได้รับกรรมแต่ในชาตินี้เท่านั้นนะเพร ก, การพูดของเขาคน พ, พูดโกหกของเขาในครั้งก่อนๆ ก, ก็เคยมีเทวทัตเคยสวยกลรรมมาแล้วอย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าครั้งไหนพระเจ้าขา่ะพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระเจ้าพมบทัดอยู่กรุงพาราณสีวันนั้นพระเจ้าพมบทัดจัดมหัศรศพใหญ่ จัดมหาหลัศพใหญ่ขึ้นมาในเมืองคนทั้งหลายก็มาดูมาชมมหาหลักศพเทวดาเทวดาทั้งหลายพวกนาคพวกคุนทั้งหลายก็ต่างก็มาดูมาดูมาชมมหาหลักศพเหมือนกันเหมือนกันแสดงว่าพวกเทวดาก็คงจะตายจากเมืองมนุษย์ไปสู่สวรรค์นั่นแหละพอเห็น มนุษย์คลึกคลืนก็คงจะอยากจะมาดูไอ้มนุษย์คึกคลื่นอะไรก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งเทนี้เทวดาก็ได้ลงมามาดูมหรศพในกรุงพาราณสีพอมาเทนี้ใส่พวงดอกไม้คล้องคอเทวดาสีอาส่องค์เหมือนกันเทเทวบุตรสี่องค์เอ้เทนี้เขาเอ๊หอมอะไรหอมอะไรคนเนาะทาไมหอมกลิ่นอย่างนี้หอมหอมกลิ่นจังอย่างนี้ไม่ไม่เคยมี เทวดาสี่องค์ก็เลยแสดงตนให้ปรากฏบอกว่าเป็นดอกไม้ทิพย์ของข้าพเจ้าทั้งสี่ที่ลงมาท่านลงมาอะไรท่านท่านเป็นใครปอกว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงกันท่านลงมาทำไมลงมาดูมหัและศพของมนุษย์ทําไมมีกลิ่นหอมดอกไม้ของท่านเป็นดอกไม้อะไรเทวดาบอกว่าดอกห ม, มักเมาทิพย์แต่เทวดาบอก เออถ้าถ้าอย่างนั้นพวกเราขอดอกไม้ทิพของท่านอะ่ะมาคล้องขอพวกข้าพเจ้าบ้างมนุษย์ขอเนยมนุษย์ของเราเนี่ยขี้ขอนะเออแต่ได้เนี่เทวดาก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะาดอกไม้ทิพนี่จะให้แก่คนผู้ผู้มีคุณธรรมเท่านั้นถ้าคนไม่มีคุณธรรมเลยสวมดอกไม้ทิพไม่ได้เออปอนดอกไม้ทิพนี่ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเท่านั้นจึงจะเหมาะสมกับดอกไม้ทิพย์ของเทวดาแต่นี้มีปโปโรหิตท่านหนึ่งอยอู่เป็นอมตะใหญ่ของพระเจ้าพาราณสีนี่เป็นชอบคนชอบโกหกหวังเงินอชอบโกหกชอบอว่าตัวเองพร้อมเดี๋ยผมมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมทุกอย่างท่านมีอะไรท่านพูดมาทีว่ามีอะไรเทวดาองค์แรกบอกว่า ผู้ที่ไม่ขโมยของคนอื่นด้วยกายไม่พูดวาจาออกไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่โกหกคนอื่นไม่ขโมยของคนอื่นแล้วก็ไม่พูดโกหกแล้วก็ได้ทรัพสมบัติมาเป็นผู้ไม่มัวเมาเมื่อได้ยศมาไม่มัวเมาไม่มัวเมาไม่หลงในยศของตัวเองถ้าผู้มีคุณธรรมสามอย่างนี้สมควร จะรับดอกไม้ทิพย์จากข้าพเจ้าปุโรหิตตัวนั้นก็บอกใช่ผมมีพร้อมไม่มีผมไม่เคยขโมยใครผมไม่เคยโกหกใครผมไม่มัวเมาเที่ยวดาอาว้าอย่ายงนันก็เหมาะสมสมควรที่จะให้ดอกไม้ทิพย์เขาก็ปลดออกจากคอของท่านใส่คอปุโรหิตปโรหิตนั่นก็ยังบอกอีกว่าผมขอจากทัดเอก คือเทวบุตรองค์ที่สององค์ที่สองก็บอกว่าถ้าหาว่าท่านไม่หลอกลวงคนเาะแสวงหาทรัพย์โดยธรรมในเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในทรัพย์เป็นผู้เสียสละเป็นผู้เฉลือเผื่อแผ่ในทรัพย์ของท่านสมควรจะได้ดอกไม้ทิพย์จากข้าพเจ้าอา้าวผมพร้อมผมไม่เคยหลอกลวงใครผมได้ทรัพย์มาโดยสุดเจริต เทวดานี่ยอ้าวทางนั้นก็เหมาะสมก็ให้อีกมันไปแล้วก็ยกมือขออีกเทวดาที่สามอีกเทวดาที่สามบอกว่าท่านถ้าว่าผู้ใดก็ตามเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงจิตใจไม่กลับเกราะครบหมู่เพื่อนเป็นผู้มั่นคงจิตใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมจิตใจไม่เห็นแก่ตัวสมควรที่จะเอาดอกไม้ทิพย์ของข้าพเจ้า แล้วก็เป็นผู้มีน้ำใจเผื่อแผ่ได้กินของดีมาก็ไม่กินคนเดียวเทวดาก็เหมือนบอกองั้นนะกินได้กินของดีไม่กินคนเดียวควรจะแบ่งให้หมู่กินถ้าว่าท่านมีพร้อมอย่างนี้เราก็กินดีเราก็ให้ได้ผู้มีคุณธรรมอย่างนี้ครับผมมีคุณธรรมพร้อมอย่างที่ท่านบอกอา้าวยัดใส่คออีกแล้วก็ขอผู้ที่สี่อีกงั้นเท่านผมขออีกพวงมไลัยที่สี เทโอดาคนนั้นก็บอกว่าท่านต้องเป็นบัณฑิตท่านถ้าว่าท่านเห็นครบผู้คนท่านผู้ใดก็ตามที่เป็นบัณฑิตท่านจะไม่ด่าบัณฑิตท่านจะไม่ว่ากล่าวบัณฑิตบัณฑิตก็คือศินห้าเนี่ยไม่นิ้ไม่ตีเตียงสินห้าเพราะงั้นเถอะเคารพในศีลธรรมพราะงั้นะแล้วก็ท่านพูดยังไงต้องทําอย่างนั้นถ้าว่าพูดออกไปแล้วรับปากเขาแล้วว่าจะทำยังไงท่านต้องทําอย่างนั้น อันนี้สมควรจะได้พวงมาลัยโปรโหิตตัว น, นั้นก็ใช่ผมมีพร้อมคุณธรรมอย่างนี้ฮะพอในจุดเทวดาก็เลยเอาพวงมาลัยทั้งสี่พวงให้แก่โปรโหิตเหมือนกันโอห้อมกลุ่นเลยท่านนี้ทีนี้พอเทวดาให้เสร็จแล้วเทวดาก็กลับบนสวรรค์กลับบนสวรรค์เท่านั้ น, นเลยท่านนี้โปรโหิตตัว น, นั้นปวดหัวขึ้นมาอย่างแรงเลยท่นี้ ปวดหัวเจ้านี่คนทลายกับเป็นไงโอ้เป็นพ่อพวงอะไรของอยู่ในหัวของข้าพเจ้าในครองเอาออกเออกเอา อ, อ, อเขาก็พยายามปลดแต่มันไม่ออกเดี๋ยวเพราเป็นของทิพย์ผลที่สุด ก, ก็เลยบอกจะทํำยังไงเจนี่ก็เลยหามไปส่งที่บ้านพอหามไปส่งที่บ้านเจ้านี่พระเจ้าเป็นดินพรนาณีสีเอเพราะพรามตัวนี้โกหกเทวดาตามไม่จริงคุณธรรมที่ พรามประกาศให้แก่เทวดาเนี่ยไม่มีอยู่ในตัวพรามสักอย่างเลยเอพรามคนนี้เนี่ยลุ่มหลงมัวเมายักยอกทรัพย์สมบัติได้ของอะไรมาเ น, น, นี่ยไม่มีการรู้จักแบ่งปันเพราะฉะนั้นคุณธรรมในพรามคนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เราจะทํำยังไงปรึกษากันมาเอาเล่นมหโหสพอีกจัดมหรหสถขึ้นมาอีกพอจัดมหโหสพขึ้นมา เพื่อจะให้เทวดาทั้งสี่ลงมาอีกเทวดาก็ลงมาลงมาก็เลยหามพรามคนนั้นเข้ามาโปโลหิตเข้ามาเทวดาก็บอกบอกว่านี่แหละดอกไม้ที่เราให้ไปเนี่ยต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเท่านั้นเป็นผู้ไม่โกหกนะเป็นไม่ขโมยเป็นผู้ได้ทรัพย์มาแล้วไม่รุ่มหลงจึงสมควรแต่นี่พรามโกหกพวกข้าพเจ้าจึงได้รับทุกทรมานอย่างนี้ นี่แหละจากนั้นเทวดาก็เลยถอดพวงมาลัยออกจากคอเขาเขาก็เลยหายเนี่พระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละชาดกเรื่องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตัวเองไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไปโกหกคนอื่นว่าตัวเองมีคุณธรรมไ ม, ม่จริยธรรมจริยธรรมความทุกข์นั่นก็จะเข้ามาถ้าจะเปรียบเทียบในยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อว่านเนี่ยคงจะเกี่ยวกับนี่แหละ นักการบ้านการเมืองเนี่ยประกาศท่นนี้พวกพวกเราพี่น้องประชาชนเอาพวงมาลัยไปค้องคอให้ว่างั้นเอค้องคอให้ว่าจะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมจะเป็นผู้สุดจริตจะปกครองโดยธรรมเพราะที่ไหนได้พอเข้าไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองตั้งคำสัตว์หรือว่าประกาศออกไปเพราะนั้นจึงวิบัติจิบหายวายปวงไปมากต่อมาก หลวงพ่อว่ากงจะมีส่วนอย่างนี้เหมือนกันนะขนาดในครั้งพระพุทธเจ้าท่านยังเปรียบเพียบเป็นชาดกขึ้นมาพราหมณ์ปโลหิตอยากจะได้ดอกไม้จากเทวดาโกหกเทวดาหลอกลวงเทวดาขนาดเทวดายังโกหกได้เพราะงั้นมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นในชาดกเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสสอนเอาไว้ก็คือ สั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายสรุปเลิก ใ, ให้เป็นคนดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าริษธรรมถ้าทําไปแล้วเดือดร้อนตนและผู้อื่นเดือดร้อนตนะเป็นอันดับแรกทางว่าตัวเองทําดีแล้วมีแต่ความสุขความเย็นใจไปที่ไหนไหนก็มีแต่ความสุขทั้งโลกทั้งโลกของเรามีการเสียสละมีการเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันโลกใบนี้หลวงพ่อว่าจะน่าอยู่กว่านี้มากนะ แต่ถ้าเอาโลกทุกวันนี้มีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่แก่งแย่งกันอย่างเนี้หลวงพ่อว่าโลกทั้งโลกหาความสงบพรมเย็นเป็นจุขไม่ได้เพราะเหตุหอะไรเพราะโลกขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมสรุปลงมาจุดนี้หลวงพ่อได้พูดจะยืดยาววันนี้เป็นแนวความคิดนะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนา